บทที่36เจ้าคุณศิลสารวิสุทธ์กลับจากท่าตะโกพระครูได้พบกับพระบุญที่ท่านเคยพาไปฝากเรียนบาลีเมื่อหลายปีก่อนหลายปีจนท่านเกือบจะลืมภิกษุหนมงกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วจึงเอ่ยว่าจาผมต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพาผมไปฝากเรียนบาลีที่บางกอก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 รีบสนองว่าไม่แก่หรอกครับหลวงพ่อของผมยังหนุ่มยังแน่นและนี่พวกโยมสาวๆยังแย่งกันมาส่งปินโตอยู่หรือเปล่าครับถามถึงความหลังปินตงเปินโตอะไรฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละงานมากซสีจนแทบไม่มีเวลาจะมาคบฉันนี่เธอเรียนจบหรือยังละ่ะจะได้มาช่วยกัน ก็อย่างที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้นั่นแหละครับที่ว่าจบก็ไม่ใช่ไม่จบก็ไม่เชิงนะครับงั้นก็ลองอาธิบายมาสินี่ฉันชักจะเวียนหัวแล้วนะครับผมจะอธิบายขยายความให้ฟังหลวงพ่ออย่าเพิ่งเป็นลมวิงเวียนไปซะก่อนนะครับคนที่เพิ่งมาจากบางกอกได้สามวันว่าแต่ถ้าเธอมัวพูดเล่นลิ้นอยู่อย่างเนี้ยก็รับรองว่าฉันเป็นลมแน่ จะพูดอะไรก็รีบๆพูดอย่าให้เสียเวลาเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองนะหรือครับแต่สำหรับผมพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองเอาเป็นว่าผมยอมเสียตําลึงทองเพื่อหลวงพ่อที่ผมคารบบูชาคือที่ผมกราบเรียนว่าจบก็ไม่ใช่ไม่จบก็ไม่เชิงนั้นก็หมายความว่าผมจบแค่ประโยคห้า ถ้าจะให้จบอย่างสมบูรณ์ต้องได้ประโยค9ผมจึงพูดว่าจบก็ไม่ใช่คือไม่จบประโยค9และที่ว่าไม่จบก็ไม่เชิงนั้นหมายความว่าผมจบประโยค5การจะเรียนให้ได้รเรียนทํา9ประโยคนั้นยากอย่างกระเข็นครกขึ้นภูเขาเลยนะครับหลวงพ่อผมก็เลยคิดว่าแค่ประโยค5ก็พอเพียงแล้ว สำหรับพระบ้านนอกอย่างผมพระหนุ่มอธิบายละเอียดยิบจนเกินความจำเป็นงั้นเธอก็เป็นมหาแล้วนะสิต่อไปนี้ฉันต้องเรียกเธอว่ามหาบุญใช่ไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพระมหาบุญท่านล้อเลียนหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิครับแบบนี้ผมเขินแย่พระมหาบุญพูดอาย แล้ววิปัสสนากรรมฐานล่ะเรียนจบไหมผู้อาวุโสกว่าถามอีกคําตอบเหมือนเดิมครับคือจะว่าจบก็ไม่ใช่จะว่าไม่จบก็ไม่เชิงคือที่ว่าจบก็แปลว่าสามารถบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ผมยังไม่บรรลุหรอกครับยังอีกไกลแต่ก็เรียนจบหลักสูตรที่จะสอนญาติโยมได้ครับตอนหลังๆเนี่ย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 มหาหนุมชีตแจงก็ดีขืนเข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนลูกศิษย์ลูกหาจะพากันหนีหมดสมัยที่ฉันเรียนนะ่ะท่านดุมากฉันเกือบจะม้วนเสือหนีกลับวัดหลายครั้งที่ไม่หนีก็เพราะเห็นแก่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเมตตาฉันมาก ทำให้ฉันทนอยู่กระทั่งเรียนจบหลักสูตรนี่เธอมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่สมพานวัดป่ามาม่วงถามเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ตั้งแต่วันที่หลวงพ่อไปท่าตะโกนั่นแหละครับคลาดกันนิดเดียวเองพอผมขึ้นเรือมาเด็กฟ้าแฝดก็บอกว่าหลวงพ่อเพิ่งออกไปกับโยมหล่อสักห้านาทีนี่เองเด็กคู่นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครเหรครับ พระมหาบุญถามลดเสียงลงได้เกรงว่าเด็กชายที่อยู่ในห้องจะได้ยินหลังจากที่นายสำริดย้ายไปเรียนที่จังหวัดเด็กชายคู่แฝดก็ย้ายจากสำนักชีมาอยู่แทนที่เขาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนเอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูวัดตั้งแต่ยังแแบเบาตอนฉันไปพบนะ่ะมดขึ้นแล้วนึกว่าจะไม่รอด แม่ชีเจียนเขาก็ช่วยเอาไปเลี้ยงไว้ที่สำนักชีแลนี่ลูกใครครับมาหาหนุ่มถามอีกท่านเห็นเด็กชายกับฝรั่งเดินตามท่านพระครูเข้ามาในกุฏิแล้วก็ทำความเคารพท่านหากท่านยังไม่มีเวลาจะไถ่าถามเด็กคนนี้คงไม่ใช่ลูกฝรั่งเพราะหน้าตาไม่เหมือนหนูจำพระครูรูปนี้ได้หรือเปล่า แทนคำตอบท่านพระครูกลับถามและจงใจเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นโยมด็อกเตอร์จําได้ครับผมเคยพบท่านตอนที่มาวัดนี้ครั้งแรกเมื่อเก้าปีมาแล้วเด็กชายตอบอะไรนะหนูน่ะหรือเคยมาพบอาตมาเมื่อเก้าปีที่แล้วนี่อาตมาไม่ได้ฟังผิดหรอกนะไม่ผิดหรอกครับ ท่านจำด็อกเตอร์กริชเพื่อนท่านสมพานได้หรือเปล่าผมนี่แหละคือด็อกเตอร์กริแล้วเด็กชายวัยแปดขวบก็จึงเล่าเรื่องราวของตนให้มหาหนุ่มฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระมหาบุญหายค้องใจสงสยัยเรื่องเด็กชายหากก็ยังสงสัยว่าฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นี้เป็นใครมาจากไหนจึงถามขึ้นว่า ฝรั่งคนนี้เป็นเพื่อนโยมดอเตอร์หรือท่านคิดว่านายวิโก้พูดไทยไม่ได้จึงเรียกเขาว่าฝรั่งซึ่งคนตะวันตกไม่ชอบที่ถูกเรียกเช่นนั้นไม่ใช่ครับผมเพิ่งจะรู้จักกับดกรกตรกรีฑที่นี่ผมเคยมาบวชอยู่วัดนี้เมื่อสองปีที่แล้วครับนายวิโก้ตอบพระมหาบุญออกตกใจที่เขาพูดไทยได้ ดีว่ายังไม่ทันพูดอะไรออกไปมากกว่านี้ท่านรู้ว่าเขาไม่ชอบให้เรียกฝรังจึงเอ่ยคำขอโทษต้องขอโทษที่อาตมาเรียกโยมว่าฝรังคิดว่ายม ฟ, ฟังภาษาไทยไม่ออกที่ไหนพูดไทยได้ชัดเรากับเป็นคนไทยครับพอดีผมเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยจึงต้องรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีมิฉชนั้นจะสอนคนอื่นไม่ได้ วิโก้เขาเรียนจบปริญญาโทสาขาภาษาไทยจากคณะอักษรศาสตร์ท่านพระครูบอกพระลูกวัดระครับงั้นก็คงเก่งกว่าผมไม่ใช่เก่งกว่าเธอคนเดียวหรอกแต่เก่งกว่าคนไทยอีกหลายล้านเชียวเวลาที่ญาติโยมมีหนังสือมนิมนชันวิโก้เขายังติเติงว่าใช้ภาษาผิด เขาไม่ได้เก่งภาษาไทยอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เก่งด้วยเขามาได้ของดีจากเมืองไทยขณะที่คนไทยเองก็ยังไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรของดีอะไรเหรอครับมหาหนุ่มอยากรู้นั่นยังไงละ่ะขนาดพระก็ยังไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไรนับระษาอะไรคะฤหัสท่านพระครูตาหนิไกล่ไกล ของดีอะไรหรือโยมพระมหาบุญถามนายวิกโก้ไม่สนใจข้อตำหนิติดเตียนของท่านสมภารบรุษจากต่างแดนศบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นจากท่านว่าควรบอกหรือไม่ไม่ต้องบอก เอาไว้ให้ท่านไปคิดเป็นการบ้านท่านเป็นถึงมหาป ร, ริยนถ้าไม่รู้ก็อายกระหัดแย่น่ะสิจริงไหมวิกโก้ใช่หนุ่มเพียงแต่ยิ้มไม่กล้าเออ อ, อหอ่หมกกับพระอาจารย์ด้วยเกรงว่าพระมหาบุญจะพานโกรธตนถ้าเช่นนั้นผมก็จะเก็บไปคิดเป็นการบ้านเออหลวงพ่อครับมีจดหมายจากกรมศาสนามาถึงหลวงพ่อครับ งั้นหรือมาตั้งแต่เมื่อไรล่ะเมื่อวานนี้ครับผมเป็นคนรับไว้เองรอเดี๋ยวนะครับผมจะไปหยิบมาให้ผมลืมไว้ตรงประตูท่านลุกขึ้นไปหยิบจดหมายที่เสียบไว้ตรงประตูทางขึ้นชั้นบนและนนำมาส่งให้ท่านเจ้าของกุฏิท่านพระครูเปิดซองหยิบจดหมายออกมาอ่านแล้วบอกนายวิกโก้ว่า วิโก้โชคดีอีกแล้วมีอะไรเหรอครับนมจากต่างแดนใครรู้กลมศาสนาเขามีหนังสือมาให้หลวงพ่อไปร่วมประชุมพระสังฆธิการที่วัดวชิราลงกรณ์จังหวัดนครราชสีมาจะอววาดวัดนี้ชื่อเจคุณศีลสารวิสุทธิ์ท่านระลึกชาติได้อย่างนั้นเหรอครับ ผมช่างโชคดีเหลือเกินการวิจัยของผมคงสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะนอกจากจะได้ข้อมูลครบทั้งสองเพศแล้วยังจําแนกเป็นบรรพชิตและเครือัดได้ด้วยเราจะเดินทางกันเมื่อไรครับเขาเรียนถามหลังจากนี้ไปอีกสามวันขืนเดินทางติดๆกันทุกวันโยมสารี่เขาจะว่าเอาได้โยมสารี่ไหนครับนายวิกโก้สงกา ก็แฟนวิกโกนะสิแหมจากไปสามวันจำแฟนไม่ได้ซะแล้วนี่ละหน้าที่เขาว่าสามวันจากนารีเป็นอื่นท่านพระครูย้าลูกศิษย์เขาชื่อลิลลี่ครับหลวงพ่อไม่ใช่สาลี่นั่นแหละลิลลี่กับสาลี่ก็อันเดียวกันเพราะออกเสียงลิลลี่เหมือนกันท่านหาทางออกจนได้ครับครับเหมือนก็เหมือน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 ท่านช่วยพูดให้ผมหน่อยนะครับเขาอ้อนวอนคงไม่เหมาะกระมังเอาไว้โยมด็อกเตอร์พูดเองดีกว่านั่นไงเขามากันพอดีแม้ยังกับรู้ว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่หน้าแปลกที่บิดามารดาของเด็กชายเดินเข้ามาในกุฏิตามด้วยบุตรสาวทั้งสี่คนแต่และคนถือกระเป๋าเสื้อผ้าพลุงพลัง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 ยังมีเรื่องจะต้องจัดการให้เสร็จอีกหลายเรื่องอย่าไปเลยนะเตียขอร้องเชื่อเตียเขาเถอะหนูปฏิบัติอยู่ที่นี่แหละอัตมาจะให้พระมหาบุญช่วยสอนให้เป็นพิเศษอย่าขัดใจเตียเขาเลยนะท่านพระครูรู้ว่าหักเด็กชายไปกับท่านบิดาของเขาก็จะกังวลไม่เป็นอันปฏิบัติครับผมไม่ไปก็ได้ เด็กชายยินยอมแต่โดยดีพยายามปลอบใจตัวเองว่าบัตรนี้เขาคือเด็กชายวัยแปดขวบไม่ใช่ด็อกเตอร์กริเพื่อนเก่าของท่านพระครูดีแล้วลูผู้ที่จะเจริญในธรรมต้องเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายภาษาบาลีเรียกว่าโซวะจัตสตาเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งใน38ข้อ ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนแกเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถูกแล้วหนูเพราะเทวดาก็ยังมีกิเลสยังไม่หลุดพ้นเทวดามีจริงหรือคะพี่สาวคนรองถามบ้างมีสินหนูที่วัดนี้ก็เคยมีเทวดามาสิงสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์ แต่ตอนนี้ท่านกลับสวรรค์ไปแล้วเอาไว้มีเวลาหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อคะพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้เทวดาคะสอนเหมือนกับที่สอนมนุษย์หรือเปล่าคะพี่สาวคนโตถามอีกเอออันนี้หลวงพ่อก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยเห็นตอนที่พระองค์ทรงสอนท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มคนฟังพากันหัวเราะชอบใจ และหลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าพระองค์ทรงสอนเทวดาก็หลวงพ่ออ่านคำพีนะสิแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่คำพีบอกนั้นจะตรงกับความจริงหญิงสาวถามอีกอันนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธา ต้องมั่นใจในพระองค์ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองทรงพระคุณทั้งก้าประการตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนหากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างแล้วที่ว่าทรงพระคุณทั้งก้าประการนั้นมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็อยู่ในบทสวดพุทธคุณยังไงล่ะพุทธคุณอะไรหรอคะหญิงสาวถามด้วยไม่เคยสวดมนต์แล้วกันไม่รู้จักพุทธคุณหรือก็อิติปิโสไงล่ะอิติปิโสเป็นยังไงคะคราวนี้ท่านพระครูถึงกับล่าศีษะ แล้วจึงหันไปเล่นงานคนเป็นพ่อแม่ว่าโยมนี่ไม่เคยสอนลูกสวดมนเลยหรืออิติปิโส ก, ก็ยังสวดไม่ได้ไม่เคยครับไม่เคยค่ะสองสามีภรยาตอบพร้อมกันถึงว่าสีลูกลูกถึงสวดมนไม่เป็นกันว่าแต่ว่าโยมสองคนนะ่ะสวดเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นค่ะ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 พระองค์สอนอะไรให้เทวดาและสอนตอนไหนพี่สาวคนโตของเด็กชายทวงถามในคัมภีร์บอกเวลาเที่ยงคืนแต่เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นพิกลบอกหลวงพ่อว่าเวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีซึ่งเป็นเวลาที่พวกเทวดาเข้าสวดมนต์กันหลวงพ่อฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าขาคือตรงกับที่ในคัมภีร์บอกไว้ รู้ไหมว่าในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่นั้นทรงปฏิบัติพุทธกิจวันละกี่เวลาไม่ทราบค่ะหญิงสาวตอบนั่นสิบหลวงพ่อก็รู้ว่าหนูไม่ทราบและหลวงพ่อถามทำไมล่ะคะหรือว่าหลวงพ่อจะแกล้งให้หนูเสียหน้าหล่อนตัดพ้อตอบไปหนูจะคิดอย่างนั้นก็ได้หลวงพ่อชอบแกล้งคน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 ปโทเซพิขุโอวาทางังเวลาข้ามประธานโอวาทแกล่าวพิษุ 4. อัถรตเตเทวะปัญหนังเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา 5. ปัจจุสเสวะคัเตกาเลสัพาพาภเพวิโลกนังจวนสว่างทรงตรวจพิจารณา สัตว์ที่สามารถและไม่สามารถบรรลุ ธ, ธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรดหรือไม่ที่กล่าวมานี้คือพุทธกิจที่ทรงปฏิบัติทุกวันเว้นแต่แต่ทรงพระประชวนจนไม่สามารถปฏิบัติได้ทรงลำบากนะคะเป็นพระพุทธเจ้านึกว่าสบายที่แท้ก็ลำบากกว่าคนธรรมดาเสีอีกลำบากสิหนูเพราะทรงทาความดีจาที่หลวงพ่อสอนนะหนูนะ จำไม่เลยว่าการสร้างความดีต้องลงทุนด้วยความลำบากถ้าสร้างความชั่วถึงจะลงทุนด้วยความสบายคนที่นอนสบายกินสบายนนะกํำลังสร้างความชั่วโดยไม่รู้ตัวหลวงพ่อเองก็ลำบากมาตลอดชีวิตไม่เคยสบายกับเขาเลยเพราะหลวงพ่อสร้างความดีแต่ถึงจะไม่สบายก็มีความสุขนะสุขใจยังไงล่ะ